เรื่องราวที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของตะปูสังขาวานอนคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะเรื่องของตะปูสังขาวานอนเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นนะคะโดยกระทุ้พันทิพย์สมาชิกที่เป็นสมาชิกของพันทิพย์นะคะบีก็เลยไปมองเห็นก็เลยอลองอ่านดูว่าน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะใจความมีอยู่ว่า ผมเขียนหรือว่าขลุกตัวอยู่ในเรื่องวิทยาศาสตร์มาก็มากแล้วมาคราวนี้ขอออกไปทางไม่วิทยาศาสตร์สักหน่อยนึงก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าแม้ผมจะอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมก็เชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับที่สัมผัสไม่ได้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันบ้านหลังที่ผมอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างเสร็จ เมื่อปี2549แล้วก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในปี2558น้ี่เองนับเป็นเวลาเก้าปีที่ไม่มีการทำพิธีกรรมใดๆอีกทั้งผมเป็นคนที่ชอบสีโทนเข้มๆนอนหลับในห้องที่มืดสนิทดังนั้นผ้าม่านจึงเป็นผ้าม่านกันแสงทั้งหมดทำให้บ้านมืดตลอดเวลาแม้จะเป็นกลางวันก็ตามถ้าไม่เปิดไฟรอบๆ บ, บ้านซึ่งตอนนั้นยังเป็นทุ่งนาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นดงบ้านจัดสรรไปแล้วเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาเก้าปีที่อยู่บ้านหลังนี้ผมอยู่คนเดียวบางทีก็อยู่กับแฟนเก่า2คนก็ไม่อยู่ด้วยหมายถึงเปลี่ยนแฟนไม่ได้มาพร้อมกันเนื่องด้วยผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วพอหลังเที่ยงคืนผมอยู่คนเดียวบางทีก็อยู่กับแฟนเก่าสองคนเนื่องด้วยว่าเป็นคนที่นอนดึกอยู่แล้วพอหลังเที่ยงคืนไปก็จะมีเสียงคนเดินลากเท้ารอบบ้าน ผมแง้มผ้าม่านส่องดูก็ไม่เห็นว่ามีใครก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงนกเสียงแมวก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นอนเล่นเกมต่อไปทางนั้นคงเห็นว่าผมเฉยมั้งครับก็เลยเคาะหน้าต่างเสียงดังตึง้งกระจกสั่นเลยทีเดียวผมเลยเปิดผ้าม่านดูว่ามีอะไรมาชนหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไรก็เห็นแต่ความว่างเปล่าพอผมปิดมา่านปุ๊บทีนี้เคาะหน้าต่างรัวเลยครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ ง, ปงก็เปิดดูอีกทีว่ามันอะไรนักหนาก็ไม่เจออะไร แต่ว่าได้ยินเสียงหัวเราะแวววเบาๆแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมมันเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีซะด้วยแต่เอาเป็นว่าเรื่องคอกระจกหน้าต่างเนี่ยผมเคยเจอเดือนหนึ่งเป็น10จบครั้งเสียงเดินรอบบ้านเนี่ยแทบทุกวันแต่ผมก็ไม่ได้แคร์อะไรเลย ช่วงปี255พผมกับเพื่อนปอโทที่ชื่อว่าพี่ยอกับพี่อสองคนนี้เนี่ยหาที่ไปกินเหล้าต่อไม่ได้ก็เลยมาตั้งวงกินเหล้ากันที่บ้านของผมซึ่งผมก็เตือนแล้วว่ามาบ้านผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พวกเขาก็ยืนยันว่าจะมาผมก็กลัวน้ําอาเสียน้ําใจเนาะก็เลยมาตั้งวงกันที่โรงรถซะเลยชายชะกัน3มคนนั่งกงเหล้ากันถึงตีสาม ทีนี้เนี่ยไอพี่ออเนี่ยก็น็อกไปแล้วแต่ว่าอยู่ๆพี่ยอก็โผล่ขึ้นมาบอกบ้านมึงเคยทําบุญปะวะบอกไม่เคยทําไมเหรอพี่เจอของดีเหรอพี่แกก็เอามือรูปหน้าและบอกว่ากูอยากกลับบ้านละผมก็เลยพอเดาได้ว่าพี่แกคงหลอนเพราะผมเห็นหัวคนโผลแบบ่แวบๆแค่หน้าผาคตรงรั้วบ้าน แต่เห็นแค่หน้าผากกับตานะทั้งทั้งที่รั้วบ้านเนี่ยมันโปร่งอันที่จริงมองไปควรจะเห็นตัวด้วยพอพี่แกพูดว่าจะกลับโอ้โหลมพัดแรงยางกับพายุเสียงฝนกระหน่ำโครมครามผมบอกว่าเฮ้ยพี่ทางที่นี่ก็ได้ฝนยังโหดเมาอีกตั้งหากแต่พี่แกก็ยืนยันที่จะกลับบ้านผมก็เลยเอาร่มไปส่งพี่แกที่รถก็ปรากฏว่าพื้นแห้งไม่มีฝนเลยพี่แกก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถกลับไป มาตอนเช้าเราก็ไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยพี่แกก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเจอใครก็ไม่รู้เคาะหัวแกหลอนจนอยู่ไม่ได้อ๋อพี่แกเมาแล้วพูดเสียงดังน่าจะโดนเจ้าที่เล่นเข้าให้ถึงนอกบ้านผมจะมีผีโหดแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเข้ามาในบ้านผมได้จนกระทั่งแฟนเก่าคนหนึ่งพาน้องกุมารเข้ามานั่นเองทีนี้ละเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยนางสนุกใหญ่เลยทั้งเสียงรื้อของหลังโซฟาประตูเปิดปิดเองประตูกระจกบานเลื่อนด้วย เสียงวิ่งเล่นกันเสียงรื้อของกันดังโครมครามเอะโครมครามก็มากันหมดหลังจากที่ไม่เคยมีก็มีนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าบ้านของผมมีสามห้องนอนบางวันพี่ชายผมจะแวะมานอนบ้านแต่ว่ามันจะโทรมาถามทุกครั้งว่าผมอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าผมไม่อยู่บ้านมันจะไม่เข้าบ้านเด็ดขาดซึ่งพี่ชายของผมเนี่ยนว่ามีเซนเช่นเดียวกันแต่มันก็เป็นคนที่กลัวผี เจ้าของกระทูบอกว่าผมใช้ชีวิตร่วมกับบรรดาผีเป็นเวลา9ปีจนเป็นความเคยชินแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพ่อแม่จึงย้ายมาอยู่ด้วยก็คงจะกลัวว่าจะฆ่าตัวตายนะคะก็เลยมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากทำบุญเสียงเดินรอบบ้านก็หายไปแต่ว่าประตูเปิดปิดเองและเสียงเด็กยังคงอยู่แฟนเก่าที่เลิกกันไป เขาก็ไม่พากุมารทองไปด้วยทีนี้วันไหนที่กลับบ้านดึกก็จะโดนพ่อโทจิกให้กลับบ้านรัวๆเลยพ่อน่าจะเจอดีเขาให้ผ่านไปไม่นานพ่อได้นำตะปูสังฆวา น, นอนมาห้อยไว้กลางบ้านหลังจากนั้นบ้านก็เงียบเชียบเลยไม่มีสิ่งลี้ลับใดๆให้ได้สัมผัสอีกคนอื่นอาจจะโล่งใจแต่ว่าสำหรับตัวของเจ้าของกระทูเองบอกผมก็เหงาเหมือนกันนะแม่คุ้นเคยกันมาตั้ง9้าปีอยู่ดีๆมาจากลากันไปโดยไม่บอกไม่กล่าว ก็มันก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องราวของตะปูสังขาวานอนกันไปแล้วหลายๆคนที่ฟังเรื่องนี้อาจจะสงสัยแล้วก็ข้องใจว่าเอ๊ะตะปูสังขาวานอนคืออะไรบีก็เลยนําเรื่องตำนานเกี่ยวกับตะปูสังขาวานอนของทนสิทธิ์ที่แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีส่งมายอย่างมากมายใช้ได้สารพัดร้อยแปแม้แต่ผียังเกรงนะคะ แท่งเหล็กเก่าคร่ำคร่าที่เห็นในรูปหน้าปกของเราลักษณะคล้ายตะปูเก่านั้นเป็นของดีมีแต่โบราณมาแล้วนะคะเรียกกันว่าตะปูสังฆวานอนตะปูสังฆาวานอนนั้นเนี่ยนับเป็นวัตถุดีในตัวนะคะซึ่งเป็นเครื่องรางกันพูดผี ในอดีตเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อต้องการจะทําการสร้างมีดหมอหรือว่าอาวุธใดๆที่ใช้ในการป้องกันพูดผีปีศาจหรือว่าคุณนสายต่างๆค่ะสิ่งที่จะขาดมิได้เลยนั่นก็คือตะปูสังฆวานอนค่ะเนื่องจากว่ามีอนุภาพในการป้องกันพูดผีคุณนสายต่างๆหรือว่าสิ่งอั ป, ปมงคลทั้งหลายซึ่งได้ผลชัดเจนตะปูสังฆวานอนเกิดจากพยาวานอนตนหนึ่งซึ่งลงมาจุติเกิดในภพภูมิของมนุษย์แล้วเข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาค่ะแต่ก็ยังมีวายที่จะติดใจลหลงไหลในฤทธิ์อำนาจของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อเข้ามาบทเรียนแล้วพยาวานอนก็ยังชอบที่จะใช้ฤทธิ์ใช้อานาจที่มีอยู่เดิมในการเหาะเหินเดินอากาศเพื่อจะไปเก็บรวบรวมเหล็กไหลธ า, าตุนะคะที่ล่องลอยอยู่ในธาตุอากาศซึ่งก็ได้ถูกเทพเทวาอัญเชิญไปเป็นฐานพระเกศแก้วจุลามณีนะคะเมื่อ เก็บรวบรวมเหล็กหลายธาตุได้ตามต้องการแล้วพญาวานนก็นำไปหลอมละลายเข้ากับเงินยวงหรือเงินบริสุทธิ์แล้วก็ทำเป็นประจุพลังปลุกเสกอริยธาตุขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีฤทธิ์อำนาจตามที่พญาวานนต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำไปเก็บไว้ในถ้าลึกที่ตัวเองอาศัยอยู่เพื่อใช้ในการทดสอบฌานสมาบัติแล้วก็ฤทธิ์อนาจของตัวเอง ทีนี้พยาวานอนเนี่ยก็มีความยึดติดถือติดนะคะในฤทธิ์อำนาจค่ะก็เลยทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าในทางธรรมเพราะว่ามัวแต่ลหลงไหลยึดมั่นถือมั่นในฤทธิ์อำนาจทีนี้นะคะเมื่อถึงเวลาที่ธาตุสี่ขันห้าของพยาวานอนแตกดับไปแต่ว่าด้วยจิต ท, ที่ผูกพันแล้วก็หวงแหนในธาตุกายสิทธิ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ทำให้จิตวิญญาณของพยาวานนติดตามไปดูแลธาตุกายสิทธินั้นไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของหมู่มานที่มีอคติต่อพระพุทธศาสนาค่ะดังนั้นแร่สังขาวานนจึงเกิดจากเหล็กไหลขาวที่ล่องลอยอยู่ในอากาศถูกนํามาหุงใหม่บวกกับฤทธิ์ชาญสมาบัติของพยาวานนเข้าไปรวมด้วยเราก็เลยเรียกธาตุกายสิทธิ์นี้ว่าสังขาวานนหรือบางคนก็เรียกว่าสังขาวานนนะคะโลหะชนิดนี้มีสีเงินยวงค่ะแล้วก็ขาวนวล กว่าเหล็กไหลาขาวทั่วไปเพราะว่าสังฆวานอนมีริทอำนาจในการป้องกันศัตรูหมู่มนันแล้วก็ภัยพิบัตินานาประการมีให้เข้ามากล้ำกลายรุกล้าสถานที่นั้นๆได้โดยมีคาถากำกับเอาไว้นะคะว่านมะหะนุวะลุสังหะ ก็เลยมีริธานุภาพเหมือนกันกันกบหนุมานค่ะแต่ที่แตกต่างกันก็คือาธาตุกายสิทธินั้นมีบารมีธรรมขั้นสูงกำกับอยู่นั่นคือมีบารมีธรรมของเหล่าพระอริยสงฆ์ที่ตั้งใจลงมาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาให้หลุดรอดจากเหล่าหมู่มันทั้งหลายบวกกับริธานุภาพของพยาวานนจึงทาให้แร่สังขาวานร น, นี้มีอนุภาพอย่างยิ่ง ตะปูสังฆาวานอนหรือที่เรียกกันนะคะว่าชินสังฆาวานอนเดิมนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่สร้างขึ้นจากโลหะผสมตระกูลดีบุกซึ่งอาจจะมีตัวโลหะเจือที่เป็นกลุ่มของสังกะสีตะกัวประหลอดนำมาใช้ประโยชน์นะคะเป็นตัวยึดโครงไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างของวัดหรือว่าปราาทพระราชวังค่ะ ในสมัยอยุธยายังไม่มีตะปูหรือว่าน็อตในการสร้างโบสถ์วิหารสมัยนั้นจึงใช้ชินเขียวทําเป็นตะปูนํามาเป็นตัวตอกสลักโดยเทแล้วก็ทําเป็นแท่งกลมแท่งเหลี่ยมปลายแหลมเรียกว่าตะปูสังฆวานอนใช้ตอกยึดเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัดตลอดอายุการใช้งานอันยาวนานตะปูสังฆาวานอนได้ผ่านศาสนาพิธีในการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดพระปาฏิโมกแล้วก็การสวยดยติเวลาที่มีการบวชพระ อีกทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ในสมัยนั้นนะคะก็มักจะนิยมปลูกเศษวัตถุมงคลในโบสถ์สม่ำเสมอเมื่อเสนาสนะโบสถ์วิหารจำรุตปรากหักพังลงมาโบราณอาจารย์ผู้ชันฉลาดก็เล็งเห็นนะคะว่าตะปูสังฆาวานอนนั้นได้ผ่านการเวลาและผ่านการปลูกเศษตลอดมารวมถึงได้ผ่านพิธีทางสงฆ์ต่างๆมาเป็นระยะเวลายอย่างยาวนานจึงเชื่อละค่ะว่าน่าจะเต็มไปด้วยพลังพุทธานุคุณต่างๆก็เลยนํามาหลอมละลายเพื่อผสมผสานในการสร้าง เนนื้อชิยิ่งไปกว่านั้นท่านยังนิยมนำมาตอกสะกดพูดผีปีศาจได้อย่างได้ผลยิ่งนักต่อมาจึงได้ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างมีดหมอหรือว่ามีดอาคมต่างๆค่ะเนื่องจากสมัยก่อนไม่นิยมนำของวัดเข้าบ้านโดยตรงต้องแปลสภาพหรือว่าสร้างขึ้นใหม่ซะก่อน เป็นมีดหมอหรือว่าเป็นพระเครื่องเนื้อชินจึงจะสบายใจกันทุกวันนี้นะคะถ้าหอกว่าใครมีไว้ติดตัวติดบ้านก็มั่นใจได้แล้วคะ่ะว่ามีของดีที่ส่งคุณค่าแล้วก็ส่งอนุภาพในตัวพร้อมศัพท์ไว้บูชาเลยทีเดียวคะ่ะได้ทราบเรื่องราวของตะปูสังฆวานอนกันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวสุดสะพรึง เป็นเรื่องราวของตำนานขบวนแห่ไร้หัวนะคะที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเรียกว่าเป็นการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นนะคะตำนานขบวนแดงค่ะเป็นตำนานขบวนที่เล่าขานสืบต่อกันมากที่สุดในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกๆวันเข้าพรรษานักศึกษาหลายคนจะไม่อยากนอนหอนเนื่องจากว่าเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานี้ ในสมัยที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะซึ่งต้องนอนอาศัยอยู่ในหอในไม่ได้กลับบ้านก็พบว่าหอในคืนวันเข้าพรรษานั้นเงียบกว่าที่เคยเป็นถนนในตอนกลางคืนนั้นเงียบกริบไรซึ่งผู้คนตามตำนานที่รุ่นพี่ได้เล่าให้ฟังนั้นเขาบอกว่าในสมัยที่เชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสยามเมืองเชียงใหม่ปกครองโดยเจ้าเมืองท่านหนึ่งลูกสาวของท่านมีสิริชมงดงามยิ่งนักเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแควนมีพระยศเป็นเจ้านางแต่เจ้า ผู้งดงามได้ตกหลุมรักกับทาตแบกเสลียงหนุ่มแล้วก็ด้วยอุปสรรคต่างๆที่ต่างชั้นวรนละกันทําให้เจ้าเมืองสั่งให้เจ้านางยุติความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างเจ้านางกับทาตหนุ่มผู้นั้นโดยให้สั่งลากันเป็นครั้งสุดท้ายในตอนที่ทาตหนุ่มแบกเสลียงให้เจ้านางแต่เจ้านางและทาตหนุ่มไม่อาจตัดใจจากความรักครั้งนี้ได้ค่ะเจ้าเมืองก็เลยออกอุบายให้ทาตแบกเสลียงพาเจ้านางไปประพาสป่าเมื่อถึงที่หมายแล้วเจ้าเมืองก็สั่งประห ทหารธาตหนุ่มอันเป็นที่รักของเจ้านางโดยการกุดหัวต่อหน้าเจ้านางเจ้านางเสียใจจนสิ้นสติแล้วก็ขาดใจตายต า, ยตามไปเจ้าเมืองจึงได้ฝังศพของทั้งคู่ไว้ด้วยกันแล้วก็สั่งประหารทาตที่ติดตามขบวนประพาสป่าแห่งนั้นหมดทุกคนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเกียรติของเจ้านางในภายหลังค่ะ ก็ให้เกิดตํานานขบวนแห่ไร้หัวหรือที่เรียกกันว่าขบวนแดงในคืนวันเข้าเพ็รษาของทุกๆปีขบวนของเจ้านางแล้วก็ธาตไร้หัวจะเริ่มเดินจากอ่างแก้วผ่านวงเวียนคณะมนุษย์ลงเนินหอสมุทรข้ามสะพานแดงหอห้าชายผ่านหอนาฬิกาหอสี่และหอสามชายตัดเข้าหอสามหญิงมุ่งหน้าไปสาราธรรมโดยขบวนของเจ้านางนั้นไม่ได้เดินตามถนนแต่ว่าจะเดินตัดผ่านไปเลย ซึ่งในอดีตที่บริเวณเหล่านั้นอาจจะเคยเป็นทางที่ขบวนประพาสป่าเดินเข้ามาก่อนที่จะเป็นการก่อสร้างอาคารในภายหลังก็ได้นะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นพี่เมื่อสมัยเรียนอยู่ชั้นปีที่1ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็มิอาจทราบได้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะคะก็ไม่มีเจตนาลบลู่แต่ยังใดถือว่าเป็นตำนานค่ะก็ขออนุญาตนํามาแชร์แล้วก็นํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องของขบวนแห่ไร้หัวหรือขบวนแดงขบวนแห่ไร้หัวในวันเข้าพรรษาที่เมืองเชียงใหม่ค่ะ เรื่องลี้ลับเกี่ยวกับจิตวิญญาณ น, นี้เป็นเรื่องเกินคาดเดาผู้ที่ไม่เคยพบด้วยตนเองก็ยากที่จะเชื่อนะคะเรื่องที่นํามาบอกเล่านี้เกิดขึ้นในราวปีพุทธศักราช2507ถึง2508ค่ะเกิดขึ้นที่วัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมในสมัยหลวงปู่เพิ่มปุญญวัสโนเป็นเจ้าอาวาสปกครองอยู่สําหรับหลวงปู่เพิ่มนี้เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติมีเมตตาสูงในช่วงเวลานั้นพระอุโบสถวัดกลางบาง ก, กำลังชำรุดสุดโทรมเป็นอย่างมากค่ะเพราะสร้างมานานนับร้อยปีสภาพของโบสถ์ในเวลานั้นสุดโทรมขนาดที่ว่าพระเนนไม่กล้าเข้าไปหลวงปู่เพิ่มท่านก็เกิดความวิตกกังวลเรื่องโบสถ์นี้มากๆด้วยเวลานั้นทางวัดก็ขาดทุนทรัพย์เพื่อที่จะใช้ในการซ่อมแซมปัจจัยที่ญาติโยมนำมาร่วมทำบุญก็ยังไม่พอก็ต้องเรียรัยสะสมปัจจัยกันอีกนานหลายปีค่ะกว่าจะพอ ความกังวลใจที่เกิดขึ้นก็ทําให้ท่านทุกใจเป็นห่วงโบสถโบราณก็ห่วงทั้งยังห่วงพระเนรนญาตโยมที่อาจจะได้รับอันตรายจากโบสถพังถลม่มลงมาเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าวิญ ญ, ญาณภายในวัดเขาก็คงจะรับรู้ค่ะเพราะว่าในวันรุ่งสางวันหนึ่งหลวงปู่เพิ่มได้ยินเสียงพวกหมาในวัดเนี่ยพากันเหา่าเสียงคร่ำผิดปกติท่านก็เลยเดินมาชะโงกดูจุดที่พวกหมามันเหา่าก็เห็นพวกหมาเนี่ยมันกลูกันเข้าไปรุมเห่าอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างกุฏิ หมาบางตัวนะคะพอเห็นหลวงปู่เพิ่มเดินมาก็แสดงอาการแปลกๆค่ะมันเห่าที่ใต้ต้นไม้แล้วก็หันกลับวิ่งมาหาหลวงปู่เพิ่มแล้วก็ใช้เท้าหน้าสะกิดเขียร์ๆคล้ายจะชักชวนให้หลวงปู่เนี่ยเดินตามไปดูพอเห็นหลวงปู่เพิ่มยืนเฉยมันก็ยิ่งเห่ากลับไปที่ต้นตะาดคนต้นไม้ต่อนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาหาท่านก็ทําอาการแบบนี้สลับไปสลับมาหลายครั้งจนหลวงปู่เพิ่มท่านเองก็นึกสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น หลวงปู่ก็เลยตัดสินใจเดินไปดูที่โคนต้นไม้ใหญ่นั้นก็เห็นนะฮะว่าที่เนินดินติดกับโคนต้นไม้มีหญ้าขึ้นปกคลุมนั้นค่ะพื้นดินมีรอยยุบตัวลงไปเป็นโพรงขนาดย่อมหญ้าที่คลุมผิวดินบริเวณนั้นก็ดูคล้ายกับมีใครถางหญ้าคลุมอยู่ออกเมื่อมองเข้าไปในโพรงดินก็เห็นว่ามีไหากับโอ่งใบ ย, ย่อมย่อมวางระเกะระกะอยู่ 2-3 ใบเมื่อเพ่งมองดูก็เห็นว่าไหาและโอ่งนันนง้นเนี่ยบางอันไม่มีฝาปิดอยู่มิดชิด แต่ว่าบางอันค่ะฝาก็เพเย่แก้มออกหลวงปู่เพิ่มก็เลยก้าวลงไปในโพรงดินแล้วก็ลองเปิดฝาโอ่งดูแง้มดูเมื่อมองเข้าไปก็ต้องตกตะลึงละค่ะเพราะว่าภายในโอง่งใหญ่ใบนั้นเนี่ยมันมีเงินกับทองรูปประพันธ์โบราณบรรจุอยู่เต็มไปหมดสิ่งของภายในโอง่งมีค่าราคาสูงเมื่อลองขยับไหที่ปิดสนิทก็รู้สึกว่ามีน้ําหนักมากและหากมีของมีค่าอยู่ภายในโอง่งแล้วก็ไหเหล่านี้ทั้งหมดเชื่อว่าต้องมีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียว หลวงปู่เพิ่มท่านก็ตรหนักว่าท่านเป็นสงฆ์ไม่อาจจะแตะต้องสมบัติอันมีค่าเหล่านี้ได้เพราะเจ้าของเขาไม่ได้ถวายและยังไม่ได้แจ้งชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของผู้ใดมาฝังไว้ท่านก็เลยต้องเกลี่ยดินและวก็เศษใบไม้ข้างๆเนี่ยลงมาปิดโพรงนั้นไว้ก่อนจากนั้นท่านก็เดินกลับขึ้นไปบนกุฏินะคะ หากคิดไปถึงสมบัติเหล่านี้อาจจะเป็นของคนโบราณค่ะที่เจ้าของเขาเนี่ยเคยนํามาฝังไว้ในเขตวัดนี้นานมาแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าดวงจิตวิญญาณของเจ้าของสมบัติเขารับรู้ในความคิดของหลวงปู่เพิ่มว่าท่านต้องการปัจจัยมาซ่อมแซมโบสถ์ก็เลยนําสมบัติเหล่านี้นะคะให้เคลื่อนที่มาจากใต้ดินเพื่อให้ท่านเห็นแล้วก็นําสมบัติเหล่านี้ให้เป็นทุนเพื่อซ่อมแซมโบสถ์ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลก็เป็นได้ค่ะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนบ่ายคล้อยของวันเดียวกันนั้นหลวงปู่เพิ่มเองท่านก็เห็นว่าไม่มีแขกและวัดก็เงียบปลอดจากญาติโยมหลวงปู่ก็เลยเอนกายพักผ่อนเอาแรงขณะที่จิต ด, ดิ่งสู่ความสงบท่านก็นิมิตเห็นผู้ชายแต่งอาคนหนึ่งแต่งกายโบราณเป็นผู้ชายเดินตรงมาหาท่านแล้วก็กราบนมัสการท่านว่า กระผมเป็นเจ้าของสมบัติที่ท่านพบเมื่อรุ่งสางกระผมเฝ้าดูท่านมานานแล้วรับรู้ว่าท่านมีจิตศรัทธาต้องการซ่อมแซมโบทขึ้นใหม่แต่เนื่องจากญาติโยมในแถบวัดอัตคัขัดสนจึงไม่อาจซ่อมแซมบทได้ สมบัติที่ท่านเห็นเมื่อรุ่งสางนั้นกระผมได้ฝังสมบัติเหล่านี้เอาไว้นานแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์จึงขอถวายสมบัติเหล่านี้เพื่อนําไปเป็นปัจจัยซ่อมแซมโบสถ์ในคืนนี้เมื่อปลอดคนแล้วขอให้ท่านนําพระลูกวัดไปขุดเอาสมบัติเหล่านั้นขึ้นมาเถิดกระผมขอถวายสมบัติทั้งหมดเพื่อบํารุงพุทธศาสนาต่อไป กล่าวจบร่างของชายโบราณนั้นก็หายไปนะคะหลวงปู่เพิ่มก็ตื่นจากการจำวัดก็ทบทวนความฝันของตัวเองแล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่านิมิต ด, ดังกล่าวก็คงจะเป็นความประสงค์ของวิญญาณเจ้าของทรัพย์นั้นจริงในคืนนั้นท่านก็เลยบอกให้พระลูกวัดมาช่วยกันขุดสมบัติ ด, ดังกล่าวได้นําสมบัติเหล่านั้นมาเป็นปัจจัยซ่อมแซมโบสถ์จนแล้วเสร็จ ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดกลางบางแก้วเป็นเรื่องที่รู้กันในหมู่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดยุคนั้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวครั้งเก่าที่เกิดขึ้นจริงสมควรนํามาบันทึกแล้วก็เผยแพร่ดังนี้จากหนังสือร้อยแปอาถรรพ์โดยปางบันนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการพระเจอผีของเราที่ชั้นแมวพระเจอผีด้วยนะคะผิดพลาดการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ หมดเวลาแล้วค่ ะ, ะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ